แสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจับเอาความรู้ สั่งสอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยพักกันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันหวังนั่งใจต้อง วัน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 แล้วก็ยังแพร่กระจายอยู่ในหลายประเทศนะครับซึ่งก็เราต้องติดตามแล้วครับแล้วก็ในส่วนของทางการไทยนี่ก็เตือนนะคนไทยนะครับว่าหลีกเลี่ยงการไปญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ซึ่งจริงๆแล้วก็ก็น่าจะเป็นประเทศที่ทปลอดภัยแต่ว่าก็การควบคุมการแพร่ระบาดข อ, ของเชื้อโรคนี่ก็ยังยั ง, ย ง, ยง ไ, มไม่ได้ผลก็เลย มีการเตือนประชาชนเพราะฉะนั้น ท, ท่านที่จะไปะทั้งจากที่จีนนะแถวจีนแถวญี่ปุ่นนะครับแถวสิงคโปร์ฮ่องกงอนะไรนี้ต้องต้องหลีกเลี่ยงนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดถึงแม้จะมีการค้นพบวัคซีนป้องกันแล้วนะครับที่ที่ทางการจีนบอกอย่างนั้นแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการทดลองน ะ, ะจะต้อง ต้องต้องมีการระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะนะการจัดกิจกรรมที่มีคนอยู่จานวนมากเนี่ยทางการหลายส่วนมีการเลื่อนออกไปทั้งมีทั้งในส่วนของการจัดอันธนิศาการการจัดมหากรรมที่ประชาชนมารวมตัวกันหลายๆเนๆหน่วยงานราชการหลายส่วนเนี่ยเลื่อนออกไปนะครับนะก็ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนมารวมกันมากๆนะครับนะ ก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นนีตรงนี้นี่ต้องต้องต้องระมัดระวังนะครับตัวเองนะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นี่นะครับซึ่งก็ก็ส่งผลกระทบล้วครับต่อการท่องเที่ยวนะครับนะเพราะว่าถ้านะไทยเรานี่ก็นักท่องเที่ยวก็หายไปมากพอสมควรนะครับนะหลายประเทศเตือนนักท่องเที่ยวเหมือนกับเราเตือนนักท่องเที่ยวเราในการเดินทางไปประเทศอื่น นะครับในประเทศอื่นก็เตือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็คงจะต้องไปไปหามาตรการอื่นมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่เพระว่าไทยของเราเนี่ยกระทบมากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจีนนี่ก็หายไปมากแล้วครับนะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเราเนี่เ ป, นเป็นเป็นล้านคนนะครับถ้าหายไปนี่ก็หมายถึงไรายได้จะส่งผลกระทบล่บะครับทั้งบริษัททัวร์บ้างผู้ที่มีอาชีพ ไกด์นำเที่ยวรวมทั้งในส่วนของโรงแรมที่พักสถานบริการต่างๆนี้ได้รับผลกระทบกันมากโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาที่มีคนจีนมาท่องเที่ยวมากเนี่ยคงจะต้องต้องระมัดระวังกันนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรที่มาเสริมมากระตุ้นเศรษฐกิจกันในช่วงนี้เนก็คงจะต้องเร่งเร่งเร่งท โดยเฉพาะ SME ะครับนะของท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องเร่งเข้าไปพยุงเหมือนกันม า, มาดูเกี่ยวกับเรื่องอทิศทางเศรษฐกิจของของเรานะครับนะซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวีระไทยสันติประพกไปบรรยายพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ d u ิ t ivity หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเรานะครับในใ น, ในการ สัมมนาครบรอบ25ปีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติก็บอกว่าผลิตภาพก็เป็นตัวกำหนดศักยภาพเศรษฐกิจของของไทยเราเนี่ก็ช่วยให้เศรษฐกิ จ, จเจริญตบตัวแต่ไทยเราก็ยังมีปัญหาเป็นทัศนาของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้านผลิตภาพโดยด้านแรกเลยผลิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยอยู่ยังอยู่ในค่อนข้างต่ำนะครับเป็นความเห็นของผู้ว่าการ ธนาคารในขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยไปไวกว่าเรานะครับซึ่งโดยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผลิตภาพไทยเราอยู่ใกล้เคียงกับมาเลเซียแล้วก็สูงกว่าอินเดียประมาณ 40% แต่ว่าปัจจุบันนี้ผลิตภาพมาเลเซียเพิ่มสูงกว่าไทย 30% ในขณะที่อินเดียเท่ากับผลิตภาพของไทยแล้วแล้วก็ปัญหาด้านที่2ก็คือแรงงานนะครับนะ แรงงาน1ใน3มากกว่า1ใน3ของไทยเราอยู่ในภาคเกษตรซึ่งผลิตภาพเพิ่มขึ้นช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นจีนอินโดนีเซียอินเดียเวียดนามนะซึ่งซึ่งขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพสูงกว่าก็ทำได้ยากนะครับเพราะว่าขาดการพัฒนาด้านทักษะที่จาเป็นนะในการเปลี่ยนงานก็คือ ก็คงจะต้องมาเร่งเสริมทักษะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีให้กับแรงงานไทยเรานะครับเป็นความเห็นของผู้ว่าการนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องพยายามแก้ไขถ้าไม่เช่นนั้นนี่ก็จะมีปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจวยคนจนคนรวยขึ้นมานะครับก็ต้องแก้ปัญหาในทัศนาของผู้ว่าการธนาคารและปัญหาที่3ก็พบว่า ช่องว่างของผลิตภาพระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เนี่ยมีกว้างขึ้นช่องว่างนี้กว้างขึ้นก็คือรายใหญ่ก็จะเติบโตสูงนะฮะในขณะที่ SME เนี่ยเติบโตต่ตํำบางครั้ ง, งก็อาจจะต้องปิดตัวเองไปนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องพยายามที่จะต้องแก้ไขตรงนี้นะครับนะซึ่งมันห่างกันมากและด้านที่4นี่คือ ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะเกี่ยวกับเรื่องของการระเบียบนะการติดต่อราช ก, การที่ซับซ้อนเนี่ยครับนะซึ่งตรงนี้นี่คงต้องแก้ไขปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะระเบียบขั้นตอนนะต่างๆและด้านที่5้าเนืยอเยืยย่อภาครัฐหลายเรื่องนะที่สะสมต่อเนื่องมาจากอดีตก็ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งตรงนี้นี่ก็เกิดการผูกขาดของทุนรายใหญนะ่ซึ่งตรงนี้คงจะต้องไปแก้ไขแล้วครับนะก็เป็นเป็นทัศนะนะครับที่เราต้องเล่งในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนาการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในในอุตมะสวรรนายอนนําตีคลังก็บอกว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเสนอ ทางนี้จะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อคอรมอนะครับซึ่งก็จะมาทามาใช้ในช่วงเดือนมีนาคมโดยจะเสนอให้เน้นดูแลภาคการท่องเที่ยวตั้งแต่ผู้ประกอบการลูกจ้างซึ่งก็มีอยู่ประมาณ15หล้านรายนะครับนะก็ต้องเน้นตรงนี้แหละครับเพื่อที่จะให้พยุงพอนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนี่ลดลงไปมากนะรวมทั้งจะดูแลเรื่องอุปโภคบริโภค เช่นการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะครับซึ่งแล้วก็จะมาเสริมมาตรการชิมช็อปช้ระยะที่4นะครับก็คือพยายามกระตุ้นให้ให้คนไทยมีเที่ยวกันเองใ น, ใ น, ใ, นในแต่ละในในในแต่ละภายในประเทศนี่แหละครับนะเที่ยวกันแล้วก็มีการเติมเงินให้มีการมีมาตรการจูงใจต่างๆนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็คาดว่าจะาทำให้มีเม็ดเงินลงทุนประมาณ1แสนล้านเข้าไปสู่ในระบบเศรษฐกิจก็จะกระตุ้นนะให้มันดียิ่งขึ้นน่เป็นความเห็นของของรัฐมนตรีคลังนะครับนะซึ่งคงจะต้องดูแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกแล้วครับว่าสื่อมวลชนวิภากษวิจารณ์และมาตรการาเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังไม่ถูกที่ถูกทางเศรษฐกิจเลยชะลอตัวกันมากเนี่ยนะครับคงจะต้องหา มาตรการใหม่ๆมามากระตุ้นมาเสริมกันนะครับให้ฟื้นกันขึ้นมาแล้วฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ ทองพระทาเชียงแส่ของกันกลางระหว่างผมแนงเฮาบยหน้าแฟ้ปิดแดนเสลแล้วละนา้ า, า, า, า, า, า, าเหตจังใดสิได้เจอน้องค่ำคืนนายยืนต้องมองบังโค ลคงค ง, งหูยอดชูอยู่สาเขาให้เหตุงานอันใดฉันายบส่งขาวมาฟังไทยอาทิตย์ปตายิสเรีย ไปด้วยข้าวพาเจ้าอยู่ยังจันไอคิดพอดลายเวลาเห็นน้ำโขงเอื่อยมาคงเมือ น, น้ำตาจาาบันโอ้ขุนไอมีฟังซสีฟังพา สุขสันตของแม่เอ๋ยช่วยเป็นพยาอาอหักแม่สาวเวียงจันภักเดี้ยฮักมันอเลืม มาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงนี้นี่ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอเกณฑ์การโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในแวดวงการศึกษานี่มีอุอูบาจารย์นี่ก็สนใจกันมากนะครับนะว่าอตอนนี้เนี่เกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายบุคลากรนี่นะครับมีการเสนอให้โยกจากในส่วนของศึกษาที่การจังหวัดมาที่เขต พื้นที่นะครับนะจากาเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ตรงนี้ในนายนัฐพลทีประสุวรรณนดนตีศึกษาก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์วิธีการยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษานะสังกัดกระทรวงสามกรณีนะครับนะก็คืออยากยกย้ายผู้มนการลงเรียนอะไรต่างนี่แหละครับแล้วกผู้บริหารการย้ายปกตินะการย้าย ในแบบปกติอันที่สองคือการย้ายเพื่อเป็ น, ป, นประโยชน์ของทางราชการและอันที่สามคือย้ายกรณีพิเศษก็ใช้หลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับก็บอกว่าจะให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดไม่มีการวิ่งเต้นนะครับนะไม่มีการเสียเงินเสียทองอะไรต่างๆให้กับผู้มีอำนาจเพราะมีข่าวกันมากนะครับาจะโยกย้ายจาอะไรต่างๆนี่ต้องวิ่งเต้นนะเสียเงินเสียทองกันเพราะันคงจะต้องดู ป้องการตรงนี้อาจจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความสามารถจริงๆนะครับนะคนผู้บริหารที่จะเข้าไปดูแลนี่ก็น่าจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะนะก็มีประสบการณ์ในการบริหารนะครับนะเพราะนี้ตรงนี้นี่คงมีเกณฑ์ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีแหละครับนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้นี่ก็คงจะต้องเริ่มใช้กันอย่า ง, างเร่งด่วนแหละครับนะเพื่อที่จะให้ ผู้บริหารรุ่นใหม่ได้มีกำลังใจในการในการทำงานส่วนกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินสำหรับเด็กแรกเกิดนะตรงนี้นี่ทางทธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสุพัชชาสุทธิผลซึ่งเป็นทธิบดีก็บอกว่าคลมรมีมติวันที่11กุมภาพันธ์อนุมัติงบกลางประมาณ 2,000 ล้านเพื่อจัดสรรให้กับ ผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกนะครับในรอบเดือนกุมภาพัานธ์ถึงมีนาคมก็มีตอนตอที่ผ่านมามีการเลื่อนจ่ายออกไปนะครับเพราะว่าประมาณปี2063ันาเนี่ยลาช้านะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็กรมกิจการเด็กก็บอกจะร่วมกับกรมบัญชีกลางก็จะเร่งดำเนินการก็จะจ่ายภายในวันที่20กลกุมภาพัานธ์นี้ นะครับในรอบเดือนกุมภาก็จะมีเด็กที่ได้รับสิทธิประมาณ1 2ล้านแสนคนนะครับน่เป็นเงินประมาณ1 2 0 0ล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงคนที่มีญาติพี่น้องมีสิทธิเนี่ยก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองนะครับนะที่ที่พอมอละครับนะหรืออาจจะทางออนไลน์ก็ได้นะติดต่อกันดูนะครับนะเผื่อจะได้เป็น เป็นประโยชน์ก็จริงๆก็สนับสนุนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแหละครับนะเพราะเด็กครับแรกเกิดน่าจะเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับนะใ ห, ให้ได้ในสังคมเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องต้องดูนะครับนะส่งเสริมกันขึ้นไปส่วนเกี่ยวกับเรื่องของอาการกระตุน้นเศรษฐกิจอีกอันนึงที่เห็นทํากันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมีหลายๆชุมชนนะครับนะก็ร่วมกับในส่วนของ กระทรวงการท่องเที่ยวนะและกีฬาแล้วก็ในส่วนของอทอททนะครับหน่วยกรมพัฒนาชุมชนในหลายๆหน่วยเนี่ยมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมนวัตวิถีนะครับนะชุมชนการท่องเที่ยวก็มีประสบความสําเร็จในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบคือคือส่งเสริมให้คนไทยเราเที่ยวกันเองนะแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยเข้ามา มีส่วนร่วมนะครับนะก็เป็นกิจกรรมเ<ด>ท่าที่ไปไปไปเห็นมานี่หลายๆชุมชนนะครับที่ที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่างเช่นอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตาร์รัชภัฒบุรีรามเนี่เห็นไปจัดเวทีไปจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับที่แถว ตำบลหนองโสนอำเภอนางรองบุรีลำนะครับนะีน่มีเวทีที่ผู้จัดและการไปร่วมเลยก็คือที่บ้านโคกว่าเนี่ยมีการทำนะเวทีเสวนาชุมชนนะนำนักศึกษาอาจารย์ไปทำวิจัยไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งก็เป็นการกระตุ้นแล้วก็ในส่วนของทางอำเภอจังหวัดให้การสนับสนุนนะครับนะในหมู่บ้านมีทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างเย็นผ้าไหมก็ดีนะครับขนมอย่างพวกข้าเมาพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งมีการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์บ้างนะครับทำเกษตรผสมผสานนะพัฒนาแหล่งน้ำนะมีบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นระบบซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ดีโดยน้ำโดยในส่วนผู้นำชุมชนรวมทั้งในส่วนของพระสงฆ์นะครับนะซึ่งเป็นพระนักพัฒนานะ ท่นทานพมาทองใสนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็หลายๆส่วนลงไปร่วมกันก็จะทำให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันในเรื่องของการการพัฒนาเป็นเป็นโมเดลใหม่แล้วครับนคือมหาวิทยาลัยร่วมกับพระสงค์ร่วมกับชุมชนอาจจะไปบวกกับทางโรงเรียนด้วยอาจจะเป็นคล้ายๆกับโครงการบวรซึ่งซึ่งเป็นเป็นแนวคิดที่ดีแลน่าจะผลักดันต่อไปสาหรับวันนี้นะครับเวลาของ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 เขายังคอยเสมอใจเข็มขึกร์แต่บอน้องสาวบนปร้อยจากฟ้ามันน้ำตาไหลาในใจของตายเป็นห่วงคนไกลบ่มีข่าวคราวน้ำหลากน้องหานฟูงปลาชวนกันพาลอยลงลเปา ด่างใจผู้สาวที่ไปว่าหวังหวง า, างไอโบแม่นผาแดงโบมีมนแต่งไปอ้อนไปเว่าให้คนลืมพ่าคือทอดความลังยานผู้เขียวใบมัน ไปลงคำวอนของคนมีตังยางเขาเด็ดน้าไปใส่ต้มยามฟ้างามยามแหลง้างลุงนองหาเป็นสีสกบส่งไกกับนกไปบอกคน ง, งาเจ้าสีหน้านวลของไอ้ขันบ่ลืมไล่หักและทอยคำ อยากให้กลับหลังเตือนผุงน้องห้า กลกับน้องไปบอกคนงาเจ้าสีนานวนของอ้ายขันบ่ลืมไรหักและลกไว้คำอยากให้กลับลำคืนจุ่ม